ซับที่อยู่บนบก95ที่ชื่อว่าซั์ที่อยู่บนบกได้แก่ซั์ที่เขาวางไว้บนบกภิกษุมีทยจิตคิดจะลักซั์ที่อยู่บนบกหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกฎจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุละใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิก